ب سم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمامتواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخي سعد الغامدي الشريط ا, الش أ ل ่16แล ش ر ويحتوي على جزئي ت ะ2เน ن ع م หนังบทอั م ม ل ลบทอัลมุเป็นบทมัคคิยามี30องค์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 และบรรดาผู้ศรัทธาประสบความตายและความพิ่นาาบทนี้ถูกขนานนามอีกว่าอัลวากยิยาและอัลมุลยิยาแปลว่าผู้คุ้มครองผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยเหลือเพราะบทนี้จะป้องกันหรือคุ้มครองผู้อ่านให้พ้นจากการลงโทษในสุสานท่านอับีุลลาสลลิละสัลลัมได้กล่าวว่าบทนี้จะปกป้องและช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษในสุสาน ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอความจำเริญจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถของพระอง์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 เจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไห ม, ม, มลลแล้วเจ้าันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่สองสายตานั้นก็จะกลับมายังเจ้าด้วยการยอมจำนวนในสภาพที่มีความยำเกรง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 ขณะที่มันกำลังเดือดพลุานมันแทบจะระเบิดออกเพราะความเคียดแคน้นทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมันยามเฝ้านรก จะถามพวกเขาว่าไม่ได้มีผู้ตักเตือนไปยังพวกเจ้าดอกหรือพวกเขากล่าวว่ามี ได้มีผู้ตักเตือนมายัางเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธและเราก็กล่าวอีกว่าอัลลอม์ไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมากและพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาใข้ควร พวกเขายอมสารภาพความผิดแต่มันห่างไกลไปเสียแล้วสำหรับเป็นชาวนรก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 ดังนั้นจงสัญจรไปในขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปัจจัยอย่างชีพของพระองค์และอย่างพระองค์เท่านั้นคือการฟื้นคืนชีพพวกเจ้าจะปลอดภัยหรือจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่ณฟากฟ้าจะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้า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 การตักเตือนของข้านั้นเป็นเช่นใดและโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมา ก, ก่อนแล้วดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไร พวกเขาไม่ได้มองดูนกที่บินอยู่เบื้องบนของพวกเขาดอกหรือมันกลางปีกและหุบ ป, ปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปจับดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่ง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 อยู่ในการหลอกลวงเท่านั้นหรือผู้ใดเล่าที่จะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าหากพระองค์จะทรงระ ง, งับปัจจัยยังชีพของพระองค์ไว้แต่ว่าพวกเจ้าดื้อรั้นอยู่ในการหญิ่งแยะโสและห่างไกลจากความจริง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 หาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อลัลลอฮความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น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 أ أ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ จงกล่าวเถิดมุ h a m มัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่าหากอัลลอฮ์ทรงทำลายฉันและผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันหรือจะทรงเมตตาแก่พวกเรา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 แล้วผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่มากมายมาให้พวกเจ้า